หนาอยู่ผมยังไม่ได้เปิดหน้าขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเข้าใจธรรมะนั้นว่าเป็นวัดเป็นพระสงฆ์เป็นพระธลูมหรือเป็นตัวหนังสือเข้าใจอันนั้นเป็นธรรมะเข้าใจอันนั้นเป็นศาสนาหรือต่อมาพอเข้าใจว่า ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมะต้องมีการให้ทานการรักษาศีลและมีการจึกษาบารมบาลีให้แตกสารเข้าใจอย่างนั้นต่อมาเข้าใจธรรมะคือเป็นเทวดาหรือเป็นพระอินทร์ครับผมลอยลงมาสวมตัวเรา เข้าใจอย่างนั้นคาวนั้นยังควมหน้าอยู่ยังไม่เข้าใจธรรมะและยังปฏิบัติธรรมะไม่ตรงต่อมาเมื่อผมอายุสี่สิบห้าปีกว่ายัางเหลืออยู่สองเดือนไม่ถึงสี่สิบหเพราะผมเกิดเดือน1ิผมเข้าใจธรรมะเดือนแป เมื่อมาศึกษากับธรรมชาติในจริงจริงแล้วธรรมะน่าจะสู่ตัวคนหกคนนี่แี่ยจะยกเว้นคนและสัตว์ไปไม่ได้ธรรมะจึงคือธรรมชาติคือคนคือสัตว์คือต้นไม้คือคืูเขาจินฟ้าอาการเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมะบ้าง ไม่เป็นธรรมะบ้างส่วนคนนี่แหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะแท้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เรียกวสวมัวจิงการปฏิบัติธรรมะจึงคือปฏิบัติตัวคนกำลังเคลื่อนกำลังไหวกำลังไปกำลังมากำลังนึกกำลังคิดนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะ ทำไมเรื่องกำลังไปกำลังมากำลังเคลื่อนกำลังไหวเป็นการปฏิบัติธรรมะบางคนยังไม่เข้าใจคือให้รู้สึกการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี่แหละคือปฏิบัติธรรมะถ้าหาว่าการเคลื่อนการไหว การไปการมาการพูดการจารการเลือกการคิดไม่รู้สึกตัวแล้วนั้นแสดงว่าคนหลงตนหลืนตัวหลงกายหลืนใจหลงธรรมะแล้วจะเป็นการปฏิบัติธรรมะไม่ตรงไม่ถูกเข้าใจย่างน้นถ้าหากว่า รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการคุยการนึกการคิดรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจสื่นใจนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแห้ดังนั้นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ผล ม, มันออกมาตามธรรมชาตเพราะศึกษา กับกรมศาสตรอย่างถูกต้องดังนั้นถ้าปฏิบัติอย่างอื่นแล้วสิ่งนั้นผลจะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นและไม่ทําสิ่งนั้นไม่เข้าใจกับสิ่งนั้นหรือทําไม่ถูกไม่ตรงผลจึงไม่ปรากฏของจริงจริงไม่ปรากฏอ้าวสมกันขึ้นมาอีก ให้พวกเราได้เอาไปพิจารณาว่าสมมติผมละไมจะเป็นเม็ดพืชยังไงก็าตามจะเป็นเม็ดมะม่วงเม็ดมะขามหรือเม็ดขนุนหรื่มมะขามก็ตามถ้าเป็นเม็ดมะม่วงเรากินเปลือกมรื ก, กินเนื้อมนะันแก เปลืหรือเนื้อมันทำให้เป็นต้นเป็นลำไม่ได้แต่พืช อ, อีกสักนิดหนึ่งอยู่ในเม็ดของ ม, มองนะม่วงแล้วเอาไปปลูกลงดินขุดดินลงไปไม่ลึกลึกมากไม่ค่อยดีมันจะเนา่าวบบ น, นี้พอดีเอาดินกบไปนานๆแต่ลดน้ำบ้างแต่ลดทุกวันก็ไม่ไล่า เป็ น, น, นบัดนี้ความอบอุ่นดินกับพูดสนิดนั้นเนียมันเข้ากันมันสามารถที่จะแตกตัวของมันเองเป็นพืชเป็นเบี้ยทีแรกมันโตขึ้นมาเล็กๆเป็นเบี้ยบัดผมถ้ามันง่ายขึ้นมาแล้วก็เราเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาเป็นเบี้ยแตกออกมาหลือเป็นหน่อ ันจะพูดยังไงก็ได้มันเป็นเพียงสมมุติพูดให้คนเข้าใจเ่าเองแต่ด้ยเมื่อเรแตกออกมาเราก็เห็นรู้ว่านี่เป็นพืชชติดนั้นออกมาแล้วเราก็รักษามันไว้นานๆขึ้นมานโตขึ้นมาพอดีน้ำไปล็ดบ่อยนานล็ดบ่อยเขา้าโตขึ้นมาเลยเป็นผลออกมา ถ้าเป็นเม็ดหมักม่วงหมะกม่วงปั่นเป็นเม็ดหมะกม่วงแตกออกมาก็เป็นต้นหมักม่วงแล้วกลับมาเป็นหมักม่วงเองเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขนุนเอาขนุนไปปลูกมันก็จะแตกออกมาเป็นขนุนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เอาเม็ดหมักขาม มะขามบ้านผัเรียงเป็นมะขามมะขามไปปลูกมันก็จะเป็นเม็ดนเป็นเลี่ยมมะขามเป็นต้นมะขามขึ้นมาให้มันได้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อันนี้แหลยกการปฏิบัติธรรมกอดเช่นเดียวกันถ้าเราทําความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทําในการพูดในการคิด ให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอผลมันก็จะรู้อันความรู้ที่มันรู้อยู่เร่เรียกว่าสัญญาความหมายรู้จได้ไม่ใช่สัญญาไปเรียนนะที่ผมหรื อ, อจะมาพูดนี้สัญญามันมีมาจากธรมรมชาติเราเคยพูดกันแล้วว่ารู้เวทนาสัญญา สังขารวิญญาณอันนี้เป็นคำพูดรูปจริงๆการเคลื่อนการไหวมันเป็นรูปเรารู้จักอย่างนี้และรู้สึกตัวเรียกว่าสวยอารมณ์คือเวทนาะทุกสุขไม่ทุกไม่สุขมันสเสวยอย่างนาี้สัญญามันรู้สึกการเคลื่อนการไหลการไปการมา การพูดการคุยการนึกการคิดหน้าที่ของสัญญามันรู้เอกสังขารจลินคิดน้นคิดนี้จับนนจับนี้ไม่หยุดไม่สับนั่นเรียกว่าสังขารวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้รู้ทุ ทุกอย่างตามหน้าที่ของมันเมื่อ เ, เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ผลมันก็ออกมาตามหน้าที่ของมันจริงๆ ร, รับรองได้ของจริงแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสลุมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสลุ มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมแพ้นั้นคือสิ่งเดียวกันทำไมว่าสิ่งเดียวกันไม่ว่าคนไทยไม่ว่าคนจีนไม่ว่าคนรัลงเเซคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวคนเยอรมันจะเป็นคนชาตดดิใดก็ตามรู้อย่างเดียวกันนี้ แม้เธอศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามจึงไม่กําหนดว่าเสือ้อซาบหรือสัมวันะวิชาคนรู้ไม่สูก อ, อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะนี้อันนี้คือธรรมะหน้าที่ของธรรมะเลยต้องปฏิบัติให้ตรงถ้าปฏิบัติไม่ตรงแสดงว่าปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิด ผลมันออกมาก็คื อ, อยังโงโอยู่นั่นเองเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วคนมันออกมาก็คือตลาดนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพูดเค่สั้นสอนคนที่ยังโงโอยู่นั่นแหละให้มันตลาดขึ้นมาสอนคนที่กําลังทําผิดอยู่นั่นแหละให้มันทําถูกต้อง สอนคนที่กําลังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้มันหมดทุกข์ไปดังนั้นผลมันออกมาจะเป็นยังไงคือทุกข์จะลดน้อยลรือหมดไปทุกข์จะ ล, ลดน้อยเรือยหมดไปความสงสัยกังวลใจจะไม่เกิดขึ้นคู ก, กันอีกอย่างหนึ่งระดับหนึ่งออก็คือโทสโมหะโลภ จะลดน้อยไปไม่จางไปห่วมยึดมั่นเส้นเราพูดว่าอูปาทานก็จะลดน้อยไปจางไปไปอย่างนั้นรับรองถ้าทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นนั้นผมไม่รับรองเพราะผมทำมาแล้วหรืออาตมารับรองอาตมาทำมาแล้วทำสิ่งนี้แบบะ ร <risque> ู้อย่างนี้แหละผมันก็เลยออกมาอย่างนี้จริงว่าของจริงเรื้อธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันไม่ว่าถือศาสนาคิดถือศาสนาพิธามหรือศาสนาฮินดูศาสนาพราถือพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันคนถือศาสนาพุทธ ก็โกรธเป็นเช้นเดียวกันคนถือศาสนาคิดก็โกรธเป็นเช่นเดียวกันคนถือศาสนาอิสลามก็โกรธเป็นเส้นเดียวกันคนถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูก็โกรธเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นการศึกษาธรรมะนั้นทุกศาสตทุกศาสนาศึกษาเพื่อจะทำลาย คมโลคคมโกรธคมหลงนี้เองดังนั้นอันคมโลคคมโกรธคมหลงนี้มันมาในช่วงไหนเวลาใดเราไม่ค่อยรู้เพราะเราไม่รู้สึกตัวในการเคลื่อนการไหวไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวในขณะที่ทำที่พูดที่คิด คือไม่ได้เห็นจิตไม่ได้เห็นใจไม่รู้จิตไม่รู้ใจมีเองถ้าหากเรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกคำพูดตื่นคำพูดรู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดแล้วก็รู้สึกอันนี้แสดงว่าไม่หลงไม่เลยหัวไม่หลงไม่ลมล ม, ล ม, ลมนั่นแหละ มันได้ทำหน้าที่ของมันมา <c oughs> หน้ามากินกับนิดเดียวก็ได้หัวแห้งดังนั้นการฟังธรรมะในวันนี้เสมือนว่าหายของที่คุวมเปิดของที่ปิดของที่มันคว่มหน้าอยู่หายขึ้นมาหรือเกียวมันอัดแน่น ขันไว้แล้วก็มายเกลี่ยมันออกหรือประตูเราก็ต่างมันล็อกกวนแกไว้เราก็มีรูของมันสอดเข้าไปในรูของมันดิ <c oughs> บเบาๆมันก็ไขามาเองเพราะทำให้ถูกไป้ตรงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ดีแล้วว่าให้มีสติกำหมึกรู้ ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนให้รู้สึกเดินให้รู้สึกนั่งให้รู้สึกนอนให้รู้สึกนี่เราไม่ต้องพูดเรื่องกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาคำนั้นมันเป็นคําพูดที่โค้งมากอย่างที่ตัวของผม ตัวอาตมาพูดนี่ก็ยังพ้วงมากเช่นเดียวกันดังนั้นพูดให้มีสติรู้ในสีอิริยาบทนั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบทย้อยเช่นหุ้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ รู้เพื่ออะไรนั่นแหละความรู้ติกการเคลื่อนการไหวนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมะแท้ตัวธรรมะแท้คือตัวเคลื่อนตัวไหวนั่นแหละจึงว่ายกเว้นจากธรรมะไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาก็มีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้ต้นไม้ มีพายุลมมาพัดมันกกไว้ตัวมันไปเนี่ยน้ำแน่นอนบ้านผมน้ำของน้ำของทางนี้อาจจะเรียกว่าน้ำโขงถ้ามีลมพัดเป็นเพื่อนเป็นฟองขึ้นมามองเห็นถ้าลมไม่พัดก็ยังไม่ทมันมีเพื่อนมีฟองก็ไหลไปตามธรรมชาติเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นศึกษาธรรมะ ต้องศึกษากับธรรมศาสตมันจริงๆรับรองว่าศึกษาอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้วิธีที่ผมเรียนมาจากครูจากอาจารย์ได้ฝึกฝนตนเองมาพอสมควรแล้วก็นำมาพูดนำมาสอนพวกเราให้ทำ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 เป็นพออระอรหันต์ในปัจจุบันศาดนี้หรือพบนี้ใต้ๆนี้เองทันวันถ้าหากไม่ได้เป็นพออระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระ อ, อนาคามีสองแน่นอนที่สุดเป็นพระ อ, อนาคามีทันวันีแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เป็นพระ อ, อนาคามีเนี่ยทันวันอย่างนั้ผมเองอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวมากเพราะว่า การพูดนั้นพูดความจริงพูดเรื่องตัวประสบหรือตัวได้สัมผัสมาตัวได้เข้าใจมาจึงนำมาพูดให้ชัดเจนลงไปทำมาตั้งแต่อายุเป็นเนนสิบกว่าปีทำมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยึกเข้ามาเป็นหนุ่มก็ทำมามาบวชเป็นพระหนุ่มก็ทำมา มีครอบครัวแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงอายุ45ปีกับ8เดือนเป็นอย่างนั้นยังไม่ถึงปี6ปียัง2เดือนเดือน8ที่ผมเข้าใจธรรมะเดือน8ขึ้นในระยะเพ่งไม่ถึงเพ่ ง, ง, งนี่เป็นยางไนดังนั้นการทําวิธีนี กำหนดตายตัวลงไปเลยเอาค่าพูดจริงทำจริงจะเอาซีด เ, เดิมผัดกับเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าทิศสุตมเนรและญาติโยมทุกคนเขียนหนังสือเป็นข้อได้เขียนหนังสือไม่เป็นก็ได้คนจนก็ปฏิบัติรู้ได้เช่นเดียวกันคนรวยก็ปฏิบัติรู้ได้เช่นเดียวกัน นุ่งผ้าซื้ออะไรปฏิบัติคนรู้เช่นเดียววันแต่ให้ปฏิบัติอย่างที่ผมหรือตัวอาตมาพูดนี้ทำอย่างนี้แหละทำอย่างอื่นนั้นไม่รับรองอ้าวอย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันผล น, นั้นจะรู้แจ้งรู้จริง เห็นแจ้งเห็นจริงเข้าใจสัมผัสแนบแน่นยกับตัวเองกําลังทากําลังพูดกําลังคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสจิตใจนึกคิดของตัวเองได้เพราะตัวเองทำตัวเองก็ต้องรู้เพราะตัวเองทาตัวเองก็ต้องสัมผัสได้เพราะตัวเองทำ ตัวเองก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงตามผอมเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยท่านสอนเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นได้เช่นเดียวกันสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยท่านสอนอย่างนั้นนั้นจึงคือกันเมื่อยังไม่รู้ก็เสาะแสวงหาครูอาจารย์เหมือนกันพระองค์ก็ไปศึกษามาแล้ว จนได้สมาบัติแตกอันนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมะยังไม่ได้รู้ธรรมะถ้าพูดอย่างนี้จะหาว่ามาทาลายไม่ใช่มาทาลายมาพูดของจริงสู่กันฟังให้ทุกคนเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติจากนั้นมาพระองค์ อดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกับใครอันนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมะยังไม่รู้ธรรมะยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ความสับสนวุ่นวายความขัดแย้งจิตใจยังแก้ไม่ได้เมื่อแก้ความสับสนวุ่นวายการขัดแย้งจิตใจไม่ได้ปัญหาก็เกิดขึ้น มันเป็นยังไงเมื่อพระองค์แก้การขัดแย้งของพระองค์ได้แก้ควมสับสนวุ่นวายของพระองค์ได้แก้ปัญหาของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยมาสอนว่าทุกคนทำได้อย่างนี้ก่อนที่พระองค์ทำนั้นพระองค์บำเพ็ญทางจิต ได้ยินทูบาอาจารย์เราให้ฟังในประเทศอินเดียมีหลายลทัทธิหลายศาสนาหลายนิกายหลายครูหลายอาจารย์เมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันหลายวิธีการสอนกรรมฐานการสอนวิปัสสนาคนนั้นต้องทำอย่างนั้นคนนั้นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นั้นสอนอย่างนั้นอาจารย์นั้นสอนอย่างนั้นดีแล้ว ที่เราแสวงหาครูหาอาจารย์นั้นดีแล้วแต่พระองค์ทรมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรมธรมธรรมจึงไม่ปรากฏเป็นอย่างตอนที่พระองค์เอาขันเอาธาตุไปอธิษฐานลิมแม่น้าว่าถ้าหข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ ฆ้ากิเลสตายขายกิเลสหลุดดับทุกได้ริงๆวางถาดและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำให้มันทวนกระแสขึส้นไปถึงต้นน้ำในทางตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสัตุไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเอาชนะทุกไม่ได้วางถาดและขันใบนี้ลงบนผิวน้ำให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำอันนั้น เ, นเป็นคำพูดสมมุติ มันเป็นคำพูดโดยสมมติพอดีวางลงไปมากระทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำพระองค์ก็เลยขึ้นบกขึ้นมาบนบกหรือข้ามไปบนบกจะว่ายังไงก็ได้ไปนั่งที่ต้นโพงบำเพ็ญทางจิตและได้ตัดสโลุเพราะการทานทางจิตจิตใจคนนี่เจอมันไหลยอยู่เหมือนกับน้ำถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ ไม่เข้าใจแล้วจะทวนกระแสของควมคิดไม่ได้ความคิดของคนเราเหมือนกับกระแสลมเหมือนกับกระแสน้ำมันพัดไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจรู้สึกทำพูดทำคุยกันเนี่เรารู้สึกอันนี้แหละเป็นการทวนกระแสของมัน ก็เลยเข้าใจของจริงธรรมะแท้นในจึงคือสิ่งเดียวกันไม่ผิดกันจริงๆไม่ผิด ก, กันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดมาแล้วตัดทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยเหมือนกันยังไม่รู้สัตทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันตัดทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้น่ครับสอนอย่างนั้นที่ผมหรืออาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้ อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัพพัรีเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ทาความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจได้รู้แจ้งเห็นจริงให้ธรรมชาติมันปรากฏ ตัวของมันขึ้นมาจริงๆในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้นี้จงทุกๆคนเธิเพื่อนพระสงฆ์และดระมนนทุกคนครับตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้ เมื่อตั้งใจฟังแล้วจะจดจำได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ทุกคนแล้วก็จเจริญถอนญาตโยนทุกทุกคนเด็กก็ได้คนแก่ก็ได้คนหนุ่มคนสาวก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนงก็ได้ตั้งใจฟังให้ดี หาเวลาที่จะพูดกันอย่างนี้เป็นเวลาที่จะหาได้ยากจึงว่าเมื่อมาพบมาเห็นกันแล้วก็ต้องตั้งใจฟั ง, งคนที่พูดก็ต้องตั้งใจพูดเพื่อทำความเข้าใจให้ทุกคนได้เอาไปใช้กับชีวิตจริงๆอย่างที่เราถือศาสนาทุกวันนี้ ต้องการเปบุญต้องการสวรรค์ต้องการมิตรภาพทุกคนทั้งนั้นเนีเปียดทุกไม่ต้องการทุกเปียดวามตายไม่ต้องการวามตายเปียดโคมสขปรลกลุงลงังทั้งหมดนี่แหละเปียดที่ของไม่ดีไม่งามเราเปียดมาจริงจเราต้องการความสดขื่น แกมใสคมสวยคมงามจริงๆดังนั้นเราไปทำบุญไปรักษาจริ ง, รงมีเครื่องประดับเนื้อประดับตัวประดับให้สวยให้งามผัดแป้งแตนตัวสงน้ำเป็นอย่างไรแต่ความจริงสิ่งนั้นมันเป็นโลมันเป็นโลทีนี้ทำมันเป็นโลกับวัชพะกันว่าอย่าง จังวัดตะกคือวงกลมวัดตะกสงสารยืนยาวนานสำหรับคนผู้ที่ยังไม่รู้คำวันนั้นจ<ะ>ังว่ามีการผัดแป้งแต่งตัวสงน้ำทำสวยๆนานๆแต่จิตใจเล่ามันสดชื่นบ้างไหมมันสวยมันงามบ้างไหม เคยรู้เคยเห็นจิตใจตัวเองบ้างไหมเคยรู้เคยเห็นชีวิตตัวเองบ้างไหมให้ทานรักษาศีลมาลแล้วแสดงว่ายัางไม่เข้าใจตัวของผมเองอางนี้ตัวของอาตมาเองอ น, นี้<ไ>เคยทำมาเช่นเดียวกันแต่ไม่เข้าใจาบุญคืออะไรบาปคืออะไรนรกคืออะไร สวรรค์คืออะไรนิพพานคืออะไรไม่รู้อ้วมหน้าอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าเกลียวทุกข์อัดแน่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ฮะหมายเกลียวออกสักทีไม่ได้งายหน้าขึ้นมาสักทีของนิดเดียวเท่านั้นเองเราเคยได้ยินได้ฟังโครบาอาจารย์เล่าให้ฟังธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนใบไม้กอเดียรกกับใบไม้ในป่าท่านเลยแต่จะเอามารักษาคนไข้คนป่วยให้หายจากความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจก็เช่นเดียวกันใบไม้ในป่านั้นจะมารักษาคนไข้ คนป่วยให้หายจากการเจ็บป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้อ่านว่าและใบไม้ที่จะเอามารักษาคนไข้คนป่วยนั้นกำมือเดียวเท่านั้นเองเนี่ยท่านว่าย่านว่อันนี้ก็ให้พวกเราคิดเอาไว้ดังนั้นคำพูดคำสอนนั้นะ่ะเราต้องศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจถ้าศึกษาปฏิบัติไม่เข้าใจ มันก็เสียเวลาตัวการตัวงานที่เราไปทําไม่ถูกไม่ตรงมั น, นบุญหมายถึงอะไรบาปหมายถึงอะไรนรกหมายถึงอะไรสวรรค์หมายถึงอะไรนิพพานหมายถึงอะไรไม่เข้าใจไปก่อนเมื่ออายุสี่สิบกว่าปีมานี่แหละได้บำเพ็ญตัวเองรู้สึก ตัวเองในการพูดการคิดการเคลื่อนการไหวรู้สึกอันนี้แหละรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันคิดก็รู้มันคิดก็รู้มันคิดก็รู้แต่ความรู้อันนี้ไม่ใช่รู้คิดนะมันคิดเราเห็นเรารู้เรามสัสได้มันจบผมคิดมันจด พอได้เห็นมันหยุดควมหยุดคิดกับควมคิดมันเป็นคำละคำกันแต่ว่ารู้คมคิดเนี่ยันคำเพราะว่ารู้คมคิดออันนั้นมันรู้คิดไปเป็นเรื่องเป็นราวไปคันมันหยุดคิดนี่มันเห็นคมคิดมันหยุดปั๊บเหมือนแมวจับหนูแมวจับหนูป๊บหนูมันสะตายมันกระดิกตัวไม่ได้ ควคิดก็เช่นเดียวกันพอดีมันคิดปุ๊บความรู้เดียววะสัญญานั่นเนี่ยมันรู้สัญญามันทําหน้าที่ของมันแล้วมันรู้ตัวมันเองมันก็หยุดปั๊บทันทีกันเดียววะทันทีทันควรเอาชณะได้อันนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดรู้ซึ่งว่าทําให้มันถูกต้องผลมันก็ออกมาให้ได้รับจริง อย่างที่ผมพูดหรืออาตมาพูดนี่คนอื่นนั้นจะรู้อย่างที่ผมรู้นี่ได้แต่มันไม่ได้ความรู้ของผมรู้ของลูความรู้ของอาตมารู้รู้สุขคุณที่ พวกญาติพวกโยมก็ต้องรู้พวกญาติพวกโยมเนีรู้เฉพาะตัวนั่นเองรู้ตัวเหล่านี้เองไม่ต้องไปรู้ดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปรู้เม็ดหินเม็ดทายในท้องมหาสมุทรที่ไหนรู้อันนี้แหละบุญนั้นจึงคือรู้บุญนั่นจึงคือรู้ถ้าหากไม่รู้ตัวเองแล้วแม้จะทําบุญรักษาศิลงภาวนาการรู้นินนพพานพราะต่ำ ถ้าหากยังไม่รู้นั้นก็แสดงว่ายังมีบาปมากยังมีบาปมากไม่สามารถที่จะไขหรือเกียวที่มันอัดแน่นน่ะหมุนไม่ออกเลยของมันควมหน้าอยู่หงายไม่ขึ้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบนนะุญนั่นจึงคือรู้วิธีมายเกีียวออกหันหมุนออก บุญนั่นจึงคือว่าหงายของที่คั่วให้มันหงายขึ้นมามันค่วหน้าอยู่หงายขึ้นมาเปิดของที่ปิดหมายเกลียวออกมาอย่าให้มันอัดแน่นอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละคือบุญรู้จักเห็นแจ้งเข้าใจสัมผัสแนบแน่นดูกับสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะเป็นการเข้าถึงธรรมะ เป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นเราเข้าใจว่าเป็นแสนเป็นสีหรือเป็นอะไรก็าตามน่ะลอยมาสวมตัวเราอันนั้นเป็นการเข้าใจตามกลมคิดผมเห็นพัศนนะของผมว่าเข้าใจผิด<ม>เข้าใจไม่ตรงการเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นตัวเราี่เอง กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนี่เองเห็นจิตเห็นใจตัวเองนี่เองคือเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเราเคยได้ยินบ้างไหมสมัยพระพุทธเจ้ากับอวักกะล็กไปอยู่ด้วยกันไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่เห็นชีวิตจิตใจตัวเองนั่นเอง ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงคือปฏิบัติที่ใจเรานี่เองปฏิบัติที่กายที่รูปเรานี่เองกำลังเคลื่อนกำลังไหวกำลังไปกาลังมากำลังนึกกำลังคิดอะไรก็ตามให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เอาชนะมันได้รู้อันนี้แหละแล้วมันจะมียานสักนิดหนึ่งหรืว่ายานของปัญญาหรือว่า วิปัสนาญาเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสัญญาเป็นเรียนมาจากตำลักตำลาจากปูจากอาจารย์งานของมันคือมันทำหน้าที่ของมันนั่นเองมันปรากฏเกิดขึ้นมาในตัวของมันนั่นเองดังนั้นจึงเห็นบุญเห็นสวรรค์เห็นนิพพานได้จริงๆเห็นพระพุทธเจ้าได้จริงๆแต่ไม่ใช่ตาเนื้อเห็นนะ ไม่ได้สัมผัสด้วยมือด้วยเท้านะใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจใจมันสัมผัสนี่คือพระพุทธเจ้า <c oughs> เราเคยได้ยินเคยได้ฟังครูบาอาจารย์เราให้ฟังพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียว พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอุ้ต่อไปค่าสองข้อมือตามเดิมเอนอันนั้นมันไม่ใช่ผมในบนหัวไม่ใช่ผมในศีรษะมันมีความหมายยานปัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตัวสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตัดกฎของธรมรมชาติมันจริงจริงและธรมรมชาติมันไม่กลับคืนมา ทำให้พระองค์สับสนวุ่นวายธรรมชาติมันไม่กลับคืนมาให้พระองค์มีการขัดแย้งของตัวพระองค์ธรรมชาติมันไม่กลับมาทําปัญหาให้พระองค์เกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆอันนั้นแหละพระองค์ตัดขาดทีเดียวกดของธรรมชาติมันนี่คือที่สุดของคุกอันนี้คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ และทุกคนต้องประสบกับสิ่งนี้จริงๆดังนั้นคําว่าพระพุทธเจ้านั้นคือจิตใจสภาดจิตใ จ, จสวา่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวมองเห็นสภาพอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจอันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้า ดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดกับพระวกระลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเร า, าจะจับสายจาีวร <im> <features> <im> <ié> เราอยู่รู้จับนื้มือเราอยู่เพราไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมแน่ให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการเห็นธรรมะการเห็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช้สีไม่ใช้แสงไม่ใช่ดวงทิตยไม่ใช่ดวงจันทร์ ไม่ใส่เป็นนับเม็ดหินเม็ดทรายอะไรกันในท้องมหาสมุทรให้เข้าใจจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาพิษธรรมดาไปแล้วไม่ใส่พระพุทธเจ้าดังนั้นสุขอื่นนอกจากขมสงบไม่มีสุขอื่นนอกจากขมสงบไม่มีอันว่าอย่างนั้นความสุขคือความสงบ ความสงบไม่ใช่เป็นนั่งสงบสงบจากโสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากการยึดมั่นถือมั่นสงบจากความไม่รู้เพราะจิตใจของพระพุทธเจ้าสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์ดีแล้วนั่นแหละที่ว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี เราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทําการทํางานมากกว่าปกตินคนธรรมดาเพราะความสงบนี้เองดังนั้นบุญแท้จึงคือความสงบลิขานแท้จึงคือความสงบพระอรหันต์แท้ๆจึงคือความสงบความสงบนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นคนไทยก็มีความสงบคนจีนก็มีความสงบ คนฝรั่งเศสก็มีความสงบคนอเมริกาก็มีความสงบคนเยอรมันคนอังกฤษมีความสงบเช่นเดียวกันคนคะเมนคนยวนคนหลาวก็มีความสงบเช่นเดียวกันความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งมันยากเราเพียงให้รู้สึกว่านี่คือความสงบ ตัวสัญญาตัวนั้นเนี่ยมันจะทําหน้าที่ของมันมันจะแสดงหน้าที่ของมันนี่คือความสงบความสงบอันนี้คือพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเนี่ยมันขาดออกจากกันถ้าพูดโดยตรงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีคนไกณโยบายทําอย่างนี้มันจะไปเป็นอย่างนั้นไม่ใส่ไม่มีจุดหมายนะ มันมีจุดหมายมันมีเทคนิคมันมีนกลไกที่ทำจังหวะเคลื่อนไหวนี่ทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นที่ผมพูดผมสอนหรือที่ผมพูดผมคุยที่ผมแนะนำช่องทางให้รู้สึกตัวนี่ทำไปมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่รู้สึกตัวเฉยๆมันจะเป็นอันหนึ่งขึ้นมา ปรากฏขึ้นมาจริงๆ ร, รับรองได้จะเอาชีวิตเปวนเดิมพันถ้าพูดจริงทำจริงแล้วมีเงินฝักไปซื้อได้ไหมไม่ได้เรียนหนังสือมากๆรู้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จริงๆพูดมากๆรู้ได้ไหมไม่ได้จริงๆถ้าไม่ทำไม่รู้ทำอย่างอื่นก็ยังรับรองไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคย ไม่เคยรู้เพราะทำอย่างอื่นเลยทําอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็เลยพูดแต่เรื่องเดียวเท่านั้นธรรมะแท้จึิงคือสิ่งเดียวเท่านั้นหน้าที่ของมันมีอันเดียวเท่านั้นแต่คนมาพูดกันเป็นจนํานวนมากว่าปฏิบัติธรรมะอย่างไรก็รู้ทำอย่างไงก็ ร, งงกรู้รู้ได้เพราะอะนุโลมดว่าโลกีธรรมโลกมันต้องเป็นอย่างนั้น โลกียธรรมโลกเป็นวัตถุเป็นวงกลมโลกนั้นจึงมีความสับสนวุ่นวายมันเป็นอย่างไรไม่ใช่โลกุตละธรรมนะไม่ใช่สมถะนะไม่ใช่ปัสนานะถ้าพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าปฏิเสธไปทั้งหมดก็ปฏิเสธนั่นแหะที่เพราะความจริงมันเป็ น, น, นไม่ต้องเกี่ยวข้องการรักาษาศี ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำกรรมถามไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเจริญปัสสนาไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดทำไมไม่เกี่ยวข้องอันนั้นมันเป็นคำพูดคนโบ ร, ราณท่านจึงสอนเอาไว้การพูดนั้นดีแล้วพูดร้อยคำพัาคำหมื่นค ำ, นคำแสนคำก็ตามสู้การกระทารู้สึก ตัวข้างเดียวไม่ได้พันวาอย่างนั้นดังนั้นการกระทํานี่จึงมีค่ามีคุณมากที่สุดบา ป, บาปก็คือตัวไม่รู้สึกตัวบาปมากที่สุดไม่รู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวบาปมากที่สุดไม่รู้สึกตัวการโทษการคุณบาปมากที่สุด ไม่รู้สึกตัวจิตใจกำลังนึกกำลังคิดนี่พูดอย่างนี้นี่ว่าหายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดบุญมากที่สุดคือรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวบุญมากที่สุดคือรู้สึกตัวการโพดการปุยบุญมากที่สุดคือรู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดเนี่มันเป็นอย่างไรจิงวา เรียนมากๆ ม, มันก็ไม่รู้มีเงินมากๆไปซื้อก็ไม่ได้สิ่งนี้มันต้องลงมือทำสมมติเราพิษตาอยู่นี่คนอื่นมองเห็นว่าเราพิกตาแต่รู้ไหมรู้ว่าคนนั้นสัมผัสโดยวิธีไหนไม่รู้การเคลื่อนการไหวพลิกมือกว้ว ม, มือยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังคนอื่นมองเห็น แต่สัมผัสกับคนนั้นรู้อย่างคนนั้นได้ไหมไม่รู้ไม่ได้รับรองจริงๆเรื่องนี้และจิตใจที่ไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นคนนั้นคิดเรื่องอะไรยิ่งแล้วยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่รู้แต่สำหรับตัวเองกำลังคิดอยู่ก็ยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ทํไดังนั้นคนโบราณสอนเอาไว้ว่าตำหนิ แหที่ลี้ลับในตัวของเรานี่เองคนอื่นจะรู้ดีเหมือนเรารู้ตัวของเราไม่ได้คนอื่นต้องรู้เรื่องคนอื่นตัวของเราเองต้องรู้เรื่องของเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระอุปัชฌาเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยคือมูใดปฏิบัติดีแล้วเนี่ยอุทุปฏิปัโนภะควโตสาวกสังโคแปลว่าสงสาวกของพระภิกษภาคเจ้านั้นมูใดปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยยายยะปฏิปัโนภะควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระภิภาคเจ้านั้นมูใด ปฏิบัติเพื่อลู่ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วออกจากทุกข์ได้จริงๆเรื่องนี้ญาติทางจตานิบุคลาิี่ญาติทางจตานิปริสาบุคลาเนี่คู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะพวพระครวตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้านั่นแหละสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเน็ต ท่านกําหนดจดจําลงไปถึงพระโสดาบันบุคคลพระสักคีธาคาบุคคลพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์ากบุคคลท่านกล่าวพระโสดามักพระสักคิธาคามีมากพระอนาคามีมากพระอรหันต์ตเป็นโล ก, กินธรรมยังไม่เป็นโล ก, กุตตรธรรมมักแปลว่าข้อปฏิบัติ มักแป็นว่าข้อปฏิบัติบางทีก็ปฏิบัติบางทีก็ไม่ปฏิบัติจึงเป็นเพียงมากเท่านั้นผลจึงไม่ปรากฏสมมติเอาเราจะไปกรุงเทพเรานึกว่าจะไปกรุงเทพออกจากบ้านเรานี่ไปไปแวะที่จังหวัดเลยสักวันหนึ่งออกจากจังหวัดเลยไปข้อนแกนแวะข้อนแกนสักสองวัน หรือไปที่ไหนที่ไหนเลยไม่ถึงกรุงเทพนั้นเขาเรียกว่าโลกียะธรรมแต่ไปไม่ถึงไม่ตั้งใจนึกว่าจะไปกรุงเทพนี่แหละของจริงเป็นอย่างนั้นบัดนี้อีกคนหนึ่งออกจากบ้านเรานี้ไปไม่ต้องแวะจังหวัดเลยขอนแก่นโคราชไม่ต้องแวะติดเครื่องบินไปก็ได้หรือนั่งรถทัวร์ไปก็ได้ แต่ไม่ลงที่ไหนเพราะกระบวนรถนั้นมันจะถึงกรุงเทพทุกขันหรือเครื่องบินมันก็ต้องไปลงที่ดอนเมืองทุกขันไปถึงเขากำหนดให้อิสระด้วยอย่างเครื่องบินออกจากจังหวัดเลยไม่เกินสองชั่วโมงถึงกรุงเทพถ้าเป็นรถทัวร์ไม่เกินแปดชั่โมงหรือสิบชั่โมง ถ้าเป็นรถไฟไปขึ้นรถไฟที่ขอนแก่นเข้าถึงกรุงเทพได้เช่นเดียวกันเมื่อไปถึงกรุงเทพไปถึงหัวลําโพงเราก็รู้สึกว่าหัวลําโพงเป็นอย่างนี้สถานีรถไฟเป็นอย่างนี้คนมานั่งรอรถไฟนั่งอย่างนี้เราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้อันนั่นแหละคือโล ก, กุตตรธรรมถ้าเราไปรดยน ถึงหมอชิดขนส่งแล้วก็ดูสถานที่ที่ขนส่งคนมานั่งอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเดินอย่างนั้นแล้วก็เห็นสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือโลกุตละธรรมถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปนั่งไม่ใส่ขึ้นแล้วนั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินพาเราไปลงดอนเมืองแล้วก็เดินออกจากเครื่องบิน รถเขาเป็นลับเดินขึ้นมาเข้าสถานที่ที่มานั่งพักคนโดยสารแล้วก็มองคนโดยสารเข้าออกประตูนั้นประตูนี้เดินไปทำธุระอันนั้นทำธุระอันนี้อย่างเรียบร้อยนั่นแหละเราสัมผัสได้นั่นแหละคือเราไปถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าโลกุตละธรรมโลกินะคำแปลวไปไม่ถึงนึกว่าจะไปให้ถึง เลยตายก่อนคำทางก่อนไปไม่ถึงนั่นเขาเรียกวโลกียธรรมโลกุตรธรรมไปให้ถึงสัมผัสแนบแน่นอยู่กับที่เราต้องการไปถึงสถานที่ที่ตรงนั้นเรียว่าโลกุตรธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดผมครั้งเดียวปุ๊บหาบออกไปเลยถึงที่ทีเดียว เข้าสู่สภาพของมันจริงๆดังนั้นโลกุตต ร, รธรรมหรือนิพพานนั้นจึงมีแล้วในคนพุกคนไม่ยกเว้นเป็นผู้หญิงก็มีแล้วเป็นผู้ชายก็มีแล้วเป็นพระสงฆ์องค์เนรก็มีแล้วถือศาสนาพุทธก็มีเช่นเดียวกันถือศาสนาคิดก็มีเช่นเดียวกันถือศาสนาอิสลามก็มีเช่นเดียวกัน ถือาศาสน า, าพานศาสนาฮินดูคนมีเช่นเดียวกันแต่เราทำไม่ถูกเท่านั้นเองเพราะเราทำอย่างนั้นก็รู้ทำอย่างนี้ก็รู้ก็มีความสับสนวุ่นวายขัดแย้งในตัวมันเองเพราะเราไม่หงายของที่ห่วมไม่เปิดของที่ปิดคนที่ฟังฟังก็ไม่เข้าใจคนที่พูดให้ฟังพูดก็ไม่ เข้าใจเมื่อทั้งสองคนเนี่ยทําควมเข้าใจกันไม่ได้สิ่งนั้นก็เลยไม่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนั้นนิพพานนั้นจึงเหนือดีเหนือชั่วพระอราหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นจงว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปเนี่ยเพราะพระองค์ ขาดออกไปแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดขาดออกไปแล้วเรีวยว่านิพพานหรือโล ก, กุตตระธรรมเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้หมดการขัดแยง้งเป็นผู้หมดความสับสนวุ่นวายเพราะจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจของใส จิตใจว่องไวยานปัญญาตัดสีนให้บอกว่าจบกันแล้วจบกันแล้วท่านสอนอย่างนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีว่าอย่างไงแยานหมายถึงอะไรก็เมื่อเราถึงตัดขาดออกไปแล้วจะปราบกดเบาะ ทราบสิ้นแล้วพกสิ้นแล้วผมว่าจ์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีเพราะสัญญามันเข้าไปรู้เองไปทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นที่ผมหรืออาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตกิจิใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกลเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมา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 เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ก็เพราะว่าพระองค์ว่าทราบของพระองค์สิ้นแล้วพบของพระองค์สิ้นแล้วธมัจจันของพระองค์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีเมื่อมันถึงที่สุดแล้ว ตัวสัญญานั่นแหละจะทำหน้าที่ของมันเป็นผลของมันจริงๆรับรองรับรองจริงๆแต่ทุกคนต้องประสบจริงๆขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนคื อ, อ